นำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง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 พูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้ตอนนี้นี่ก็มีการคอรมอรนอนุมัติการปรับเงินเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ในส่วนของอสอมอนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของนายเฉลิมพลเพนสุดผู้ในการสำนักงบประมาณก็บอกว่าในส่วนของสำนักงบเนี่ยก็มีการเพิ่มงบประมาณเตรียมไว้สาหรับการปรับค่าตอบแทน กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์การส่วนตำบลอบอตอก็ปรับไว้แล้วประมาณ 18,750 ล้านนะครับแล้วก็มีการเตรียมค่าตอบแทนอสอมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านอสอมนะครับแล้วก็จากเดือนละ 1,000 บันเป็น 2,000 บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นตเตรียมงบไว้แล้วประมาณหน0 0งกับ81ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นีนตรงนี้นี่ก็ มีการตั้งกรอบงบประมาณกันไว้แล้วนะครับที่จะเตรียมนะก็ในส่วนของกำดันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนอบตก็อสมอสแสดงความยินดีนะครับนะที่ข้าตอบแทนนะที่เพิ่มขึ้นนะครับนะอภารากิจลงไปในระดับฐานลากนี่กค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันจากจากกรณีการเกิดวิกฤตในเกี่ยวองของแบงคนะ์ธนาคารที่สหรัฐนะ ล่มอยู่หลายหลายแห่งเลยทีเดียวนี่ตอนนี้นี่ก็ในส่วนของกระทรวงการคลังก็ติดตามการปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐเหมือนกันนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ดนตรีคลังก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เกาะติดสถานการณ์มีการปิดกิจการอของอสถาบันการเงินในสหรัฐซึ่งแต่ก็ประเมินว่าไม่ส่งผลกระทบต่อไทยนะครับเนื่องจากว่า ธนาคารที่เกิดวิกฤตสธนาคารนี่ปล่อยสินเชื่อในวงจำกัดนะแต่ก็ต้องเข้าไปจับตาดูการลงไปเข้าไปลงทุนในธุรกิจคนระิปโตเคอร์เรนซีนะครับคื อ, คอสินทรัพย์ดนะิจิตอลของผู้ประกอบการไทยเรานะครับนะในอีก2ธนาคารในสหรัฐซึ่งตอนนี้นี่ก็กลังถูกจับตามองนะจากธนาคารกลางของสหรัฐนะอย่างใกล้ชิดนะก็ต้องดูะครับนะส่วนกรณีที่ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดอย่างหนักในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาก็ความตื่นตระหนกของนักลงทุนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค ง, นะคงจะต้องดนะูก็เตือนว่าก็ยังไม่มากระทบถึ ง, ถงบ้านเรานะและในอาคมก็ตอบบอกว่ามีการยุบสภาหรืออาจจะมีก็อาจจะเกิดการผันผวนบ้างแต่ในระยะสั้นแต่รัฐบาลรักษาการก็สามารถที่จะออกมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้ นะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนนางสาวศรีกัญญาญาทิพเลขธิการของกอบขอนะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็บอกว่ากบขกไม่ได้ลงทุนนะในหุ้นของธนาคารทั้ง3แห่งนะ ท, ที่ที่มีปัญหาวิกฤตในสหรัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะกระทบถึงถึงบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้ น, นตรง น, น, นี้ก็คงนะจะต้องติดตามดูแลครับนะพมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ แบงก์ของสหรัฐนีม่มีปัญหาซึ่ง ก, ก็ก็จะส่งผลกระทบได้แต่ว่าก็มักจะเป็นส่งผลกระทบกับคนที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าในส่วนของคลิปโตรหรือว่าในส่วนของคนที่เล่นหุ้ น, น, เ, ปนเป็นหลักนะครับก็แม้จะกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะครับและก็ตอนนี้นยอดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี่ก็เริ่มที่จะดีขึ้นจาก นะนักท่องเที่ยวนะของจีนหรือว่าของประเทศอื่นๆที่กลับคืนมานะครับซึ่งจากการเปิดเผยของในเกลียงไกเทียนนุ ก, กูลนะซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะก็บอกว่าตอนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะประจำเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ 96.2 ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียว นะครับแล้วก็เป็นค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่สูงสุดในรอบ47เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นผลมาจากอาจจะเป็นจากการท่องเที่ยวนะที่ฟื้นตัวเพราะว่าการจากการเปิดประเทศของจีนนี่นักท่องเที่ยวจีนนี่กลับมาเต็มที่นะครับเนะที่ยวแล้วก็นิยมมาเที่ยวประเทศไทยเราเป็นหลักนะครับนะทำให้การจับใจ่ายใช้สอยนะเต็มที่เลยทีเดียวนักท่องเที่ยวก็นาเงินตราต่างประเทศเข้ามา ก็ทำให้เศรษฐกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวโรงแรมที่พักะอะไรต่างๆเนี่ยสายการบินต่างๆนี่ฟื้นตัวกันไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ก็โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลักแถวภาคใต้แถวอันดมามันแถวอ่าวไทยแล้วก็แถวภาคตะวันออกรวมทั้งทางเหนือนแถวเชียงใหม่แถวต่างๆนี่ก็ ฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวกันไปนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีการคาดการบอกว่าในสามเดือนข้างหน้าเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นนี่ก็จะปรับตัวอยู่ที่ระดับ1 0อนะก็จะดีขึ้นนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะดียิ่งขึ้นจากนะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวะครับนะก็จะทำให้เศรษฐกิจนี่น่าจะฟื้นตัวก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับนะหวังว่าอย่างนั้นนะครับนะจะทาให้ การท่องเที่ยวนี่กลับคืนมานะครับกนะ็เตรงนี้คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ มาไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหนฉันคอยคุณดีอยู่ที่สถานีรถไป o อ eh, ฉันไหน้อันนี้ทําไมเธอยังไม่มาฉันเออฉันแอบบัง คอยที่ชานชลาที่รักจ๋าจงมาเสียทียืนใจเต้นมาเห็นรถไฟสายควนฉันยืนรอดูอยู่หลายขบวนทำไมไม่เห็นเธอนีฉันยืนรอเสียเวลาตั้งหลายนาทีหน้าตาก็ ไม่น่าโกหกตลกกับฉันยืนชะเง้อตามเออคอยเธอกลับมายอดรักจ้าเธอหลบหน้าไปไหนกันฉันยืนรอรอด้วยใจไหว้วัน่นหญ่เธอกลับมาแปรผน เงินชะเง้อตามเมื่อขอให้เธอกลับมาอดรักจาเธอหลบหนาไปไหนกันฉันยืนรอร อ, รอด้วยใจไวหวัน่นใยเธอกลับมาแปร มาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะโดยทั่วๆวไปนะในช่วงนี้นี่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทีนะ่บริษัทรถไฟฟ้านะขนาดใหญ่ของจีนนี่มานะตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในไทยซึ่งก็อย่างที่บอกเรารถไฟฟ้าหรือ e v จะเป็นรถที่จะมาแทน รถที่ใช้น้ำมันรถสันดาปในอนาคตลครับนะเาว่าตอนนี้แนวโน้มประชาชนจากทั่วโลกนี่ก็เริ่มหันไปใช้รถไฟฟ้ากันมากนะแล้วก็เป็นที่รับทราบกันดีว่าบริษัทที่จำหน่ายรถไฟฟ้านะที่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือเท s l a ของอเมริกาแล้วก็บี YD ของจีนนะครับงเป็น บริษัทที่ผิดรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนํามียอดจําหน่ายนี่สูงนะครับซึ่งบริษัทเทส la นี่เลือกจะลงทุนในอินโดนีเซียแต่ว่า BYD ก็มาลงทุนเลือกลงทุนในในไทยเราเนะี่ยเป็นฐานผลิตรถไฟฟ้าชั้นนำนะซึ่งมีการวางซีลเลอร์ ก, กันไปเมื่อวันที่10มีนาคมนี้นะครับแถวภาคตะนออกนี่แหละครับนะซึ่งก็จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจาําหน่ายในในตลาดแถวเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าทำให้ในส่วนของไทยเราก็จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนายนะครับในในอาเซียนในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็นายลิวเสียเหลียงซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ BYD ก็บอกว่าในส่วนนี้บริษัทจะตั้งฐานการผลิตรถไฟในไทย เพื่อที่จะส่งออกไปขายยังตลาดเอเชียแปซิฟิกนะก็ครอบคลุมป ร, ประเทศต่างๆในเอเชียและแปซิฟิกนะซึ่งตรงนี้นี่ก็นอกจากนี้ b นี่ยยังได้ส่งมอบรถรุ่นยอดนิยมนะครับซึ่งเป็น BYD า u t o t r e ตซึ่งเป็นจำนวน ประมาณห 0,000 ่นคันแก่ลูกค้าซึ่งมีการจองกันข้าววันข้ามคืนที่เป็นที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับแนตะ่เพราะว่านะก็ไทยเรานี้ก็มีนโยบายที่ส่งเสริมรถไฟฟ้าก็มีการลดภาษีนะรถยนต์ชนิดนี้นะกันนัดแสนเลยทีเดียวก็ทําให้ยอดนะประชาชนที่มาสั่งซื้อนี่สูงมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ตอนนี้นี่ไทยเรานี่เริ่มที่จะมีคนนะซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็มาจดทะเบียนเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่31มบกราคมศกนี้บอกว่าตอนนี้มีคนมาจดทะเบียนใช้รถไฟฟ้าแล้วประมาณหม่นกกว่าคันแล้วนะครับนะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละสอ้นะเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วก็แสดงว่าตอนนี้คนนี่เริ่มที่จะหันมานิยมรถไฟฟ้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็ก็ต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ นะการประกันทัวรถนะครับนะเพราะว่าค่าแบตเตอรี่ของรถนี่ยังสูงอยู่นะเพราะบางรุ่นนี่รถแบตเตอรี่นี่หลายแสนนะถ้ามีการชํารุดเนี่ยจะประกันจะจะรับผิด ช, ชอบจะซ่อมให้หรือไม่นะครับนะเพราะจํานวนราคาของแบตเตอรี่ดีบางครั้งสูงนะครับสูงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยคงจะต้องพิจารณารวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานีที่จะใช้ในการชาร์จนะครับชาร์ ในส่วนของรถไฟฟ้านี่กระจายกันทั่วครอบคุมทั้งประเทศหรือไม่นี่คงจะต้องดูนะครับนะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็อย่างที่ที่บอกนะครับนว่ากระชากครั้งหนึ่งก็จะวิ่งได้ประมาณ300กิโลนะสามสากิโลนะครับซึ่งก็วิ่งข้ามจังหวัดกันได้สบายแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่ามีสถานีในการที่จะในการที่จะชาร์จไฟกัน กระจายทันไปหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องดูกันในหลายๆส่วนนะครับในช่วงนี้เนี่เกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ามันนี่ในส่วนของรัฐยังจะชดเชยอุดหนุนนะเพื่อที่จะพยุงราคาน้ามันนะไม่ให้สูงขึ้นไปอีกนะประมาณ2นะอเดือนนะก็คือพยายามที่จะทาให้ตึงราคาน้ามันไว้นาอาคมเติมวิจัยพิสิทธ์รัฐมนตรีครังก็บอกว่า ที่ประชุมคลมวันที่14ีมีนาคมก็เห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดภาษีสรรพสานมิตน้ำมันดีเซลลงลิดละ5บาทออกไปีก2เดือนตัง้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง20กรกดาคมศกนี้นะเพื่อที่จะให้ราคาขายปลีกนี่น้ำมันดีเซลนะครับก็ไม่ไม่สูงขึ้นนะครับนะก็จะเป็นเพราะว่าถ้าน้ำมันดีเซลสูงนะเพราะโรงงานนี่ไปใช้น้ำมัน ดีเซลมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะฉะนั้นค่าของชีพประชาชนก็จะต้องสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของดีเซลนี่ก็ลดบรรทุกเนี่ยสำหรับขนขายสินค้ามาอย่างมาจําหน่ายรัษฎรนี่ก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้นี่ก็จะยืดออกไปอีก2เดือนนะตึงราคาดีเซลนะครับนะเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็ต้องก็ต้องดูนะครับว่า มีความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลกันนะครับเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูว่าว่าจะจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้โครงการโครล้านครอบครัวเนี่ยที่รัฐบาลส่งเสริมให้ทกศปล่อยกู้นี่ก็บอกว่าคอรมอเห็นชอบน ะ, นะให้ทกศเนี่ยปล่อยกู้นะ โดยให้งบประมาณวงเงิน 5,000 ล้านเนี่ยไปกระตุ้นนะให้เกษตรก ร, เ, ร, กรเนี่ยกู้เงินนะครับนะไปนะครับนะซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะให้สมาชิกกู้ยืมครัวเลือนละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับนะเอาไปนะครับไปกู้ไปเลี้ยงวัวนะควเดือนละ2ตัวนะครับนะก็มองไว้ว่าประมาณ2 0 0แสนตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ต้องดูนะทิศทางว่าจะาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ก็คงจะต้องเป็นทางหนึ่งที่ในการลดภาระนะครับกับในส่วนของเกษตรก ร, ะ ร, กรนะครับเดี๋ยหลายคนต้องการที่จะเลี้ยงงัวนะครับนะเพื่อฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจนะก็เป็นทิศทางนึ่งสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้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 อย่างเราเศร้าจนคนลืมคนอย่างเราเศร้าจนคน เห็นใจคนจนจงเมตตาเห็นใจคนจนพี่สู่ทนเป้างงรอพี่รอขอความการุณาจงเมตตาเห็นใจคน นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง